ถอดยศหรือตัดสิทธิ์ปับภาชนียกรรมขับไล่ปฏิสารณียกรรมขอขมาคฤหัตและอุเขปนียกรรมย ก, รรมยกจากหมูพร้อมด้วยวิธีระงรับการลงโทษนั้นๆ 2. ปริวาสิคันธกะหมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตสังฆาทิเศษ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 หมวดว่าด้วยการรวบรวมคือประมวลเรื่องที่เกี่ยวกับการออกจากอาบัตสังฆาทิเศษที่เหลือจากปาริวาสิกันธกะมีเรื่องการขอมานัดการให้มานัดการขออัภายหรือสวดถอนจากอาบัตสังฆาทิเศษเป็นต้น 4. สมถะคันทกะหมวดว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ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 การระงับด้วยยกประโยชน์ให้ในขณะเป็นบ้า 4. ปติญญาตกรณะการะการะงับด้วยถือตามคำรับของจำเลย 5. เยภุยยาสิกาการระงับด้วยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ 6. ตะสปาปิยาสิกาการระงับด้วยการลงโทษแก่ผู้ผิด 7. ตินวัฏธากะ การระ ง, งับด้วยให้ประนีประนอมหรือเลิกแล้วกันไป